226นักคิยะปฏิกเขปะกะถาว่าด้วยทรงห้ามเปลือยกายเรื่องภิกษุเปลือยกาย370สสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเปลือยกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณนะที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค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 รับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสมาทานการเปลือยกายที่พวกเดียร์ถีทำกันรูปใดสมาทานต้องอาบัตถุลัดใจ